เห็นคณะสัทธาญาติโยมเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาก็รู้สึกว่าอุ่นหนาฝาคังเพราะว่าเป็นชมรมขรศการบําเหน็จบํานาญจังหวัดศรีสะเกตจากนี่ไปศรีสะเกตใช้เวลาไม่ใช่น้อยนะ5้าชั่วโมงจะถึงน้ำมว้นี่วะหลวงพ่อเนี่ย ว่าหลวงพ่อกันแล้วกันนะหลวงพอนะ่อน่ะอายุเจ็ดสิบเอดแล้วลูกหลานนะเออเอี่ยจะนี่แหละกําลังจะเดินอยู่เจ็ดสิบเอ็ดปีเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพอนะ่อไม่ใช่พระน้อยพรนมไม่ใช่ลงหูลงตานั่นแหละลงหูเป็นหวงลงหูล ง, ลงตาแนละ้เพราะฉะนั้นพวกที่ยังทํางานอยู่แปลว่าเป็นน้องหลวงของหลวงพ่อทั้งหมดตรงนั้นแต่ผู้ที่มาเนี่ยก็คงจะเป็นพี่หลวงพอ่อคงไม่กี่คนเนี่ยหลวงพ่อว่าเนะี <c> ่อ <oughs> นี่แหละลูกพ่อเองมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ปีสองห้านะคายตะทาญาจโจลูกหลานมาอยู่ปีสองหแต่บ้านเกิดของลูงพ่ อ, อยมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูล่ลาเป็นเนนน้อยของหลวงปูล่ลาบวดมาตั้งแต่ปีสองพันหลูกพ่อบวดเป็นสมัยเรน2005นะ เป็นเนมสมเนมกรึงพุทธการจากนั้นพอบวชอยู่กับหลวงปู่าบ8ปีเป็นสัมภเนมจุ๊บแปปีพอครบพระอะไรบวชพระปีสองปี0ูย์ปปีนี้ปี0ูย์จากปี08มาถึงปีนี้ก็ห้าแดใช่ไหพันศาของหลวงพ่อที่เป็นพันศาเลยห้าสิปีพอดีนเะ <c oughs> ออออ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 อำเภอสามผงหลงพันเนาวนครพนมนะแต่ท่านก็เลยเอาแม่ท่านผ่านมาที่นั่นก็เลยโยมรวมโยมพ่อของหลวงปู่จามโยมปู่เอาเกวียนสามสีลำกับชาวบ้านน่ะแล้วก็ขนบริขาร น, นำมาส่งที่นั่นมาส่งทางจังหวัดเจ้าสาตอ น, นแถวบันขาโคมแถวกุดซุมเลยนะามาทางนี้ลงมาทางนี้แต่นนหลวงปู่จามอายุสิบสี่ปี หลวงปู่ก็ปู่ยมปู่อะไรเอาหลวงปู่จามเเป็นเนรเป็นเด็กมาด้วยจะบวกจะมอบไปหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นแม่ของหลวงปู่มั่นเนี่ยตัวไม่ใหญ่ตัวตัวอผอมๆเป็นแม่ชีท่านเดินไม่ได้เดินได้อยู่แต่มันเดินพุดอายุถึงอายุมากแล้วท่านก็ได้ใช้ใช้สาแหลกหามเลยหามก็คือทําเหมือนกันส บ, สบสลับสมสแหลกลงมาเลยแล้วก็คุณแม่ของท่านเขาไปนั่ง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 เขาก็เลยปรับ6บาททำไมก่อนในสิบบาทเนค่าศินสอด12บาทเท่ากันเนี่เขาปรับไป6บาทาพิไปเออพอปรับหบาทเนี่ยจ่ายเงินให้เขานะไปจ่ายเงินให้เขาก็เลยมาบวชบาทเนี่เข้ามาบวชพอมาบวชบอกว่าแม่ก็เลยสั่งว่าลูกเอ้ยลูกไม่ต้องห่วงแม่นะไม่ต้องห่วงพ่อนะนะยังไงจึงจะพ้นทุกพ้นโลกวัฏสงสารไปเลย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 ไปอยู่ทางเมืองเหนือทั้ง30กสิกว่าปีเนี่ยไม่เคยมาบ้านเลยเหมือนกันถะน่าจริงจริงนะเหมือนกันเอะยังวันที่ว่าตับเดียวเนี่ยหลวงพ่อวานพอจดหมายทางน้องชายผู้ใหญ่จูมเยนะพวกเราได้ฟังเทศหลวงหลวงตามหาบัวเนี่ยก็คงจะได้ยินที่ว่านี่ท่านหลวงตามหาบัวเคยไปอยู่ที่ห้วยสายเลยหลวงตามหาบัวเคยพูดเคยเล่าผู้ใหญ่จูม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 แต่เขียนหนังสือเหมือนไก่เขียร์อันนี้อันนี้ร้องตาพูดว่เออเขาว่าดใช่เขาแต่งตัวโหสมาร์ทเหมือนกับผู้ว่าดด้วยกันแต่แต่พอเขียนหนังสือเหมือนไก่เขีย ว, นนนนนนาว่ากันแต่ตมมแตม ไ, ไม่ต้องเขียนไปยังไงว่ากันแต่วันหนึ่งพ่อใหญ่จูมเขียนจดหมายผู้ใหญ่จูมก็คือน้องหลงปู้จามว่ากันน้องชายหลงปู้จามเลยพใหญ่จุงเลยแต่ถ้าก็เขียน เขียนจดหมายให้มาตอบมันเขียนแบบรีบๆหน่อยเขียนมาก็ส่งมาให้หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวจุ้งห้วยสายใช่หลวงตามหาบัวจุ้งห้อยสายท่านกจับจดหมายมามันอ่านไม่ออกใช่ไหมล่ะไม่รู้เขียนอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่จุ้มอยู่เห็นแต่จุ้มทะเลหลวงรู้จักว่าเป็นจดหมายผู้ใหญ่จุ้มท่านก็เลยเอาจดหมายมาเสียบไว้ในนั้นใช้ข้างๆอ่านไม่ออกไป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 อ่านๆนให้ผมฟังดิปวดหัวได้บ้าเลยเ อ, อ, อ่านอ่านให้ผมฟังตอนนี้ลงตามมหาบัวกับขี้ขี้จดหมายมากก็อ่านขึ้นมาอ่ะววะวะจุม่ม <laughs> <laughs> เพราะมัดอ่านไม่ออกเลยขี้อรก็เลยขึ้จากขึ้นจากเห็นแต่จุ่มจากข้างล่างลงตามมาหาบัวเลยวะวะวะจุม่ม ข้มพากันหัวเลาะเลยกนะันโอ้เออนี่แหละผู้ใหญ่จูมกับหลวงตามหาบัวญนะาติญาติของหลวงพ่อเนะี่ยสรุปแล้วก็คือหลวงตาเคยไปอยู่มหาบัวเคยไปอยู่สนิทสนมแล้วเป็นรู้จักกับวงหลวงตาเนี่ยแหละพั น, นี้พอหลวงปู่จามไปอยู่ทางเชียงใหม่สามสิบกว่าปีจดหมายผู้ใหญ่จูมเลยเขียนเขียนไปบอกว่าคุณมากแม่ไปอย่างนั้นนะ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 น้ำแม่ปิงยังไม่ไหล ย, ย้อนกับขึ้นเมืองเซียงดาวเลยไม่มาเหยียบอีกวัดออสันติธรรมพูไม่ใช่ธรรมดาเลยหลว ง, ง, งอาของหลวงพอ่อเหนกันเรียกว่าหลวงพ่อว่าท่านออจิตใจเด็ดเดี่ยวนีออ่แหละหลวงอาจามแต่อายุท่านก็ร้อยร้อยสี่ปีเมื่อที่ท่านจากไปนะ <c oughs> เราก็ได้ไปจัดงานท่านเรียบร้อยหมดแ ล, ะละ้วล่ะบรร้วยทราย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 แล้วจำเป็นเราก็ได้ลงมากกับท่านข่าว น, นั้นพอมาอยู่จำพรรษากับหลวงปู่จามเนี่ยเป็นพรรษาที่สี่ใช่ไหมละ่ะออกมาก็บอกว่าหลวงอาครับผมอยู่กับหลวงอาไม่ได้หร อ, อกเพราะเหตุอะไรเพราะว่าผมเป็นพระน้อยพระนมอยู่หนูเห็นเหมือนกับสมัยหลวงอาเป็นพระน้อยพระนงนะเนี่ยพวกสาวๆทั้งหลายอยู่ในบ้านเนี่ยรุ่นเล่าขาวเดียวกันะเออผมเห็นนะมันไม่ได้นะครับหลวงอาเอถ้าจะให้ผมอยู่เนะี่ย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 ก <c oughs> อหลบหลงตาหรือวิ่งผ่านหน้าเสือไปเลยเรางี้ไม่ว่าพระฝรั่งไม่ว่าพระไทยเลยกลัวเดยกลัวลงตาเนี่ยวไปแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แตการวางหมาดของท่านการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวน่ากลัวและอีกอย่างนึ่งท่านบอกว่างพระทุกอง เ, เอมาอยู่กับเรามาศึกษากับเราตั้งจังใจนะ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 จากน้นมาหลวงพ่อก็เลยอยู่กับองตาเลยไม่ <S <S ไม่ไปไม่ไปหาองค์อื่นเหมือนกั น, น่ไม่ได้ไปหาไม่ได้เดินไปทางอื่นอยู่กับองค์หลวงตาอยู่องค์งหลวงตาตั้งแต่ 2,512 จนถึง 2,524 2,125 เป็นเวลา14ปีอยู่กับองตา น, นานกว่าทุกองค์นี่แหละอันนี้แหล ะ, ะคณะสถาญาติโยมลูกหลานน หลวงประวัติของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นพระที่เอาชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายืนยาวนานที่สุดเลยนี่เป็นเวลาถึงห้าสิบแปดปีอายุเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายคงอยากจ ะ, จะทราบว่าเอ๊ะหลวงพ่อเนี่ยบวชมานานถึงขนาดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรใช่ไัมท่า่นี่ <c oughs> <c oughs> แนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไงกับพุทธศาสนานะหลวงพ่อเนี่ยนะคณะทาญาิโยมหลวงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นในธรำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่มั่นแนวปฏิปทาของหลวงตาครูบาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติตรงไปตรงมาเป็นผู้เน้นในกฎรละเบียดเน้นในศีลและวินยัย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 ในพรรษานี้ไม่ให้ขาดเราจะใส่บาททุกวันไม่ให้ขาดออโอ้ใจบาททุกวันบางทีเราก็นอนตื่นสายบางบางทีก็ไม่มีพระบางหลวงพอ่อไม่เป็นไรสมมติว่าเรามีศรัทธาเราจะทำบุญสมมติว่าเอาแล้วเราอยู่ในจังหวัดชีเะเก๋งวัดไหนหรือว่า เ, เราขอรบกาบไหวหลวงปู่จามหรือหลวลงตามหาบัว รถ ล, ลงปูเทศรถหลวลงปูโดนอะไรก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราอยากจะทำบุญกับองค์นั้นะ่ะวัดนั้นะ่ะปีนี่เราก็เอาหน่อยมีกระปุกหมูหมากาไกา่เราก็ใส่ยอดกระปุกเลยตอนเช้ า, าวันนี้เราจะใส่นมนมสีกล่องเราก็นมราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ยอดใส่กระปุกไว้เลย เ, เรือว่าวันนี้เราจะถวายกล้วยเตี๋ยวท่านนะ กี่ถ้วยเราก็หยอดลงไปในกระปุกนั่นอกีกเออวันนี้เราจะถวายกล้วยเท่านั้นใบใส่บาทเราก็ราคากล้วยเท่าไรเราก็ใส่ลงไปในได้เมื่อเดือนหนึ่งและสมเดือนออกพรรษาแ ล, แล้วก็เราก็นำปัจจัยที่เราถวายนั่น่ะไปทำบุญกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆหรือว่า เ, ออเราเอาเถอะเราเราจะไม่คิดทำอย่างนั้นเราจะคิดออชีวิตของพวกเราทุกวัน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 เราก็นําไปประพฤติปฏิบัติณเมื church, ่อนําประพฤติปฏิบัติ น, นั่นแหะความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญ mm hmm. ก็จะเกิดขึ้นกับพวกคณะตถาญาติโยมลูกๆูล้านล้านทุกๆท่านนะก็พร้อมกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบิ้ดได้กล่าวเบื้องต้นว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะทถาญาติโยมตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุอะไรถ้าอยากจะรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานใท่านบอกให้นั่งภาวนาเนอะพวกองค์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 หลวงพ่อกระตอบอย็นทีนี้อีกเหมือนกันนะพวกเราอ่านด้วยซิว่าหลวงพ่อตอบพระฝรั่งว่าจะไงนะศึกษาดูนะเวัะนั้นหลวงพ่อเนี ouais ate, i mean ่ยทำปรเทศชาสุดคอต่อเตรียมตัวตายเหมอนกัอ้าวหลวงพ่อจะให้พรทันทีนะรับพรนะคณะสัตยายมลูกหลานทุกท่านทุกคนนะ